ตังไหมจะพูดให้ฟ <mm <mm uh ันเวอร์นายหรือยังน right> ั้นตาก็เจ๋แล้วจะพูดเอาพูดเอาสักหน่อยอาจารย์นุ่มๆอาจารย์โน้ตอาจารย์ต้องศีนอาจารย์ดิ้มีหลายรูปอยู่ที่นี่นักแสดงธรรมเหมือนกันนะรีบด่วนสักหน่อย มีชิวิธีว่าการแสดงธรรมนี่ถ้าไม่แสดงธรรมจะเลยตายง่ายนะต้องได้บอกอะไรที่มันเช็ดมันจริงอย่างไรล้วก็นี่แหละเชิงพุทธจิงเวทลอ้อมทำวัดเช่าทำวัดเกศสาธิยายพระสูตรต่างๆ อายุยืนมีเวทเชิญพูดมีป่าบา้านมีเพื่อนมีมิตรมีธรรมมีคำสอนได้ยินได้ฟังเป็นพระหูสูตรเป็นมงคลบทสาบทพิเศษผู้นาก็พาเราสวดมงคลสามสิปดซึ่งพระเจ้าประเสริฐที่ควรสน ได้พาผภ้ฟ้าบริวารมากราบทูลพระเจ้าในครั้งเดินหนึ่งที่เขตตวันมหาวิหารไ้ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าให้มีเวลาศึกษาธรรมะปกครองบ้านเมืองประเทศชาติ ให้พระองค์ด้วยเมตตาแสดงธรรมอันที่นำปฏิบัติให้เกิดความพาสุกโดยย่อๆให้เราวริวานทั้งหลายได้ทราบให้ํำปฏิบัติกันให้อยู่ความด้วยความสงบพร้อมเย็นโดยเจ้าแล้ะแสดงสูตรเนี้อาเสวนาจะพานางการไม่ครบผลพานสามสิบหก เี่ว่ามงคลสามทแปดสาม่แปดไม่ใช่สัมหกถ้าผู้ใดศึกษาดีแล้วมงคลสามีแปดนี้เจริญก็น้าเป็นที่ไม่มีพิรภไพในทิศทักปวงต่อไปก็สวดอีกบทหนึ่งเรียกว่า เรียกว่าอะไรชนุษฐ์กาลามชุนกาลามชนกาลามสูตรกาลามัชนสมัยหนึ่งพระเจ้าได้เดินทางไปหมู่บ้านกาลามชุนซึ่งเป็นทางผ่านของนักสอนศาสนาปุกุกกะกิจายานะก็ผ่านทางนี้มักคะลีโคสารก็ผ่านไปทางนี้ นี่ขันธฐานาะตบุตรก็ผ่านไปทางนี้สนชัยวิรัตบุตรก็ผ่านไปทางนี้อธิเกตกรมพลก็ไปทางนี้ทั้งหกคนคููทั้งหกผ่านเส้นนี้บุกุกกะบุกุบุกุตกะ ก, ก, ะ ก, ก, ะกะจายนะทกะสอนแบบหนึ่ง มคัคคีโคสานสอนแบบหนึง่งที่กะอ ะ, อะไรจไม่ได้โยขี้เขว่าไปแล้วแต่มันลืมอีว่าหกคู่หคนเนี่ยพระพุทธเจ้าไปสอนอีกแบบหนึง่งหมู่บ้านนี่กลรมชนนี่ล่องขึ้นบอยวายจะให้เชื่อยังไงดีตูกะก็สอนอย่างหนึง่งมคคีโคสานสอนอย่างหนึง่ง อธิการเทศกำพลก็สอนอย่างหนึ่งสนใจวัตถุบทสอนอย่างหนึ่งพระสานักโครมก็สอนอย่างหนึ่งใจท่านต้องใจทำอย่างไรเชื่อยังไงตัวเจ้าเลยเทศเทศอะไรอะไรอะไรกระลามชนกระลาชนเนี กาละมชนหมู่บ้านกาละมชนเลยตัดจุดนี้พวกการลามชนฟังเล่าเกิดศรัทธาแทนที่พระเจ้าว่าเชื่อเราเชื่อเราพระเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นจะเชื่อสิบอย่างชิงใดที่ทําแล้วเกิดกุศลไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นจีนั่นควรจะทํา สิ่งใดทำลงไปเล้เบียดเบียนตนและคนอื่นสิ่งที่ไม่ควรทําเป็นอกุศลเป็นบาปพวกกรรมาชนก็พอใจเกิดศรัทธาพระเจ้าแทนที่พระเจ้าจะคัดค้านครูทั้งหแทนที่ส่งเสริมครูทั้งหกพระเจ้าไปกลางๆแบบนะี้พระเจ้าเป็นผู้ที่เผยแพร่ศาสนาธรรมทีหลังหมู่มีครูสอนกันมาก่อนแล้ว อ น, นั้นเนี่ยเราก็สาธยายส่วนนี้มีหลักฐานมีที่เป็นที่มาไม่ใช่พวกเราว่าเองมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลอันนี้เป็นเรื่องที่เราสาธยายอนตาก็อยากจะบอกวันนี้ว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเรื่องะไรทำไมจะเกิดพุทธาสนาขึ้นมาเป็นไปนเหตุอนไรเกิดขึ้น เนื่องจากเจ้าพ่อชายศิริธาตุัชนบายุ16กพรรษาออกว่าพาสเมืองก บ, บิลพัทเห็นคนเก่เกิดคนเจ็บคนเ จ, นเ จ, นเจพบตายเห็นสมณะไม่คือออกกับพระราชวังดูร้อนอยู่หลังหนึ่งดูหนาวอยู่หลังหนึ่งหรือดูฝนอยู่หลังหนึ่งมีแต่สตีสวยๆไม่มีบุดเจอปน เฝ้าดูแลตลอดเวลาไม่เคยเห็นภายนอกก็ อ, ออกไปภายนอกไปเห็นเรื่องในเข้าทั้งสี่ทั้งห้าคนก็เลยเป็นการล้านเอามาคิดถามพระเจ้าปู่พระเจ้ายา่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายไม่มีใครตอบได้ตัวงก็คิด เรื่องนี้จนจนถือว่าเป็นเป็นสูตรเป็นจำเลยเรื่องนี้คิดไม่ได้ไม่มีใครตอบได้ตั้งแต่ที่พระองค์เป็นเจ้าฝ้าชายรับผิดชอบประเทศชาติบ้านเมืองไม่รู้เรื่องนี้จะทำงางนลยศึกษาแล้วนี่จน ลองพระชนมายุยีบเก้าปัญษาตาหุนเกิดใหม่ๆอ ด, ดไม่หลนทนมาได้ชากว่านี้ไปได้แล้วจึงเกิดออกผนวดเห็นสำนะเนี่ยมองว่าคงเป็นทางนี้แหละจึงจะศึกษาเรื่ได้เรื่องความแก่เรื่องก็เกิดความแก่ความเสีย ค, ค, ความตายทุกคนจะต้องไปยังนี่หรือเมื่อไม่เมื่อมีเกิด มันต้องมีไม่เกิดไม่ใช่หรือเมื่อมีแจกต้องมีไม่แจ่ไม่ใช่หรือถ้ามีเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บไม่ใช่หรือถ้ามีตายต้องมีไม่ตายเป็นจริงที่บ่งบอกทั้งความเป็นคู่มีกลางวันก็มีกลางคืนมีร้อนก็มีหนาวมีหวก็มีอิ่มแตนนี้ต้องมีคู่นาคาตอบออกมา จึงออกบวชเพื่อใช้คิตนักบวชที่แรกก็ <c oughs> อาจไม่ใช่ไม่ใช่ลักหนีนะคุยกันพูดกันกับพิมพาพิมพาก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปยังประสูตรรถใหม่ยังไม่แข็งแลง จิตาก็รอไม่ได้แล้วจิพาก็อ้างว่าพิมพาลักศิรรมยิ่งศิลธรรก็บอกอ้างว่ารักพิมพาเช่นเดียวกันแต่เราสองคนรักกันเท่านี้ไม่เพียงพอเราต้องถ้าเรารักกันต้องรักคนทั้งโลกการที่รัคนทั้งโลกต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ให้คนรู้เรื่องนี้ได้คําตอบเรื่อนี้จึงเป็นความรักกันยิ่งใหญ่ของเราทั้งสองดังนั้นเราต้อง เป็นหน้าที่ที่จะต้องศึกษาแร้วนี้เต็มตาก็เห็นด้วยโยงมสนับสนุนเอาเลยเสดดจพี่เอาเลยไม่ต้องห่วงพิมพา์พา่นมกำดันใดมีแยะแม่มีโอรสใหม่เขาไม่ได้เลี่ยงเลยพี่เลี่ยงนังลนมแย่งกันแล้วหุน ไม่เหมือนพวกเรานะพวกเราทิ้งมันง้ก็ลำบากแต่เพื่อจิตตะทิ้งทีตาไม่ลำบากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยกันทิ้งนะดูแล้วไม่ลำบากโ่กมามอจิจฉา ก, ก็หปีนะจึงมาลู้เรื่องนี้ได้คำตอบออกมาจากการทำหลายแบบ ตามครูที่สอนอุตตระดาบุตรอาดาต ร, ราบุหลายคนที่สอน <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นที่พอใจจบทุกอาจารย์อยู่ที่ไหนก็จบไม่พอใจจึงออกขาด้วยตนเองโดยทำทรมานร่างกายไม่กินไ ม, ไม่กินข้าวไม่อาบน้ำไม่หายใจ จนเกือบจะเอาคิดไม่รอดทดลองดูแล้วจนมาฝึกในวันเพ็ญเดือนหกเป็นปีที่หกมาจิตรารังนี้โดยเอากายเอาใจตำหล่ า, ลาเหลือเลี่ยงเดียวขณะที่ปั้นจับวิคีาจับลุกจับนั่งอยู่เพราะไม่ได้กินข้าวแล้วก็ยังโกรธ มันยังคิดถึงพิพาละหุนคิดถึงเสาสนมกำนันไนคิดถึงประชาสามหลูมันยังคิดไปมันตรงเป็นเรื่องคิดแน่นอนเอากายเอาจิตนี่แหละเป็นตำราศึกษาลองดูจนคืนวันเพ็ญที่เตือนสิเตือนหกวันเพ็ญเดือนหกได้รู้แจ้งเรื่องนี้ตามประชูด บรรยายไว้อย่างละเอียดไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องถ้าเราศึกษาดูนะนี่ว่าตัดจะรู้ได้รู้เรื่องนี้ตอบได้แล้วว่าเห็นควงแก่เห็นความเกิดเห็นความไม่เกิดเห็นความเก่เห็นความไม่แก่เห็นความเจ็บเห็นความไม่เจ็บเห็นความตายเห็นความไม่ตายตอบได้ทันที จนไปที่พอใจของพระองค์ดาละเอียดเ้าไปศึกษาดูองหรือเราปฏิบัติสัมผัส ด, ดูได้ทั้งหอะไรทอใหม่หมก็จะต้องมีกายวิสติไปในกายเหมือนเราทำอยู่นี่คู่ฉขนเข้าเหยียดฉันออกม่สติกานคู่ฉันเข้าการเหยียดฉันออกมิสติ การเดินไปข้างหน้าการถอยกลับมาข้างหลังมีสติเอากายนี่แหละเป็นนำลาให้เป็นมิรเกาะไว้ก่อนถ้าไม่มีที่เกาะมันจะวิ่งไปข้างหน้าวิ่งคืนข้างหลังคนที่ทิ้งลูกมาก็ย่อมคิดถึงลูกทิ้งเมียมาก็ย่อมคิดถึงเมียคิดถึงทิ้งประชาสามพุลูมาก็ย่อมคิดถึงประชาสัมพุรุ ขณนั้นมันนั่งอยู่ต้นโพไม่มีเมฆกระทั่งหลังคาอยู่คนเดียวในป่าระดงไม่ย่อมคิดถึงไม่เหมือนพวกเราจากมีเพื่อนมีมิตรมีที่นั่งมีหลังคามีข้าวถึงเวลาตีละครั้งมาจิตข้าวทีตะไม่มีเลยถูตายจะย่างขนาดนั้นจนบางทีก็ เคือบเจ้าตัวไม่รอดที่วาาา่ามานกิเลสมารขันธามารมัดจมมานเจ้าบตชจำงารก็งำคิดถึงประชาิสำรลกคิดถึงเสาสนมกำนันไหนก็นเคยมีความสุขย่อมคิดกื้อกับกากบมาหาที่ตั้งนั้นคิดไปแล้วกับตา มันก็ามาจริงเป็นความคิดเฉยๆบางทีก็เกิดทุกข์เกิดต่อร้อนเหมือนจะเป็นไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวเพราะลมพัดูกแดดถูกลมเราจะเกิดกลัวตายขึาา้นมาทำไมจะมานั่งอยู่ที่นี่มันเป็นอะไรวคิดอย่างนี้กับม่จะหลอกก็ไม่ไปตามความคิด อย่างสองวันวันนี้ก็มีพระป่วยไม่สบายก็ถามหลวงเป็นไรปวดหมดทั้งเนื้อทั้งตัว <c oughs> เอยเป็นไหมเอ่ยเ ป, เป็นเหตุมันเกิดจากอะไรเกิดจากทาความเพียรหนักเกินไปมีเหมือนกันการยกมือเคลื่อนไหวการใดคมมันก็เป็นการออกแรงเหมือนกัน แต่ว่าเบื้องต้นใหม่จะปวดแขนปวดต้นคอปวดขาอะไรต่างๆํำร า, าเป็นไข้หรือบางคนอาจจะเป็นไข้เลยไม่ต้องกลัวมันก็มันก็ตึงเกินไปก็เกีอ่อวลงมาสักหน่อยนอนก็ได้บางคนขยันจะไม่รู้จักหลับจะนอนก็ไม่ดีขยันจะไม่รู้จักพักผ่อนก็ไม่ดี ว่างนอตาก็บอกตอนหนึ่งก็ว่านอนไม่หลับบอกไปนอนซะก่อนปะอย่ามาเดินจงกรมมันเหนื่อยไปนอนพักผ่อนให้มันจะบายจะค่อยมาเดินต้องพักผ่อนกินให้อิม่มให้มันพอมีกําลังแต่รีดเกินไปก็ทะเลทลายไม่ถูกที่ถูกทางยิ่งเราไม่เคยสีด้วยก็ยิ่งจะไปกันใหญ่เป็นการ อกลัวไปเลยเพ่ไปเลยถ้าเป็นการทำความเพียนก็กลัวไปเลยไม่ก็เข็ียดหลาอันนี้ก็มีไม่ชู้สิริาได้คำตอบในวันเพลดังนหกนั้นเกียกเรื่องนี้เป็นพระองค์เลยว่าเราลู่แฉ่งแล้วเสียงที่มาแฉ่งทำไมแฉ่งแล้ว เนื้อการเกิดเจ็บตาเราจึงได้พุทธะพุทธโธเกิดขึ้นแก่พระองค์เป็นพุทธเจ้ายังไม่มีประโยชน์ยังไม่ได้สอนคนลูกตามหรือว่าพุทธเจ้านออีกหนึ่งเดือนหลังจากการตัดสู้เป็นพระเจ้าแล้วได้ แต่วมุิที่ชอยู่แถบสีมาโพนั่นสีอาทิตย์เป็นหนึ่งเดือนพอดีบัณฑินเดินเกดออกจากสีมาโพเดินไปอิจิปตนะพาราน า, นาีและทางประมาณสามสี่รยกวม่เดินอยู่หนึ่งเดือนจึงถึงพาราศาีเพื่อไปสอนปัจจุบทีที่หนีจากไป ก็สอนปจัจจามชีรู้เรื่องนี้เข้าก็เลยได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุโทโธได้ผลแล้วสอนคนอื่นรู้ตามได้แล้วมีคนรู้ตามแล้วนี่แล้วเลยได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุโทโธผู้สอนคนอื่นรู้ตามด้วยจะมาถึงพวกเราตัวนี้นาพิสูจนกันดูเราเริ่มต้นตรงไหนเราเริ่มต้นตรงที่ วิจิติดูกายนี่เหมือนกันมันจะรู้ไหมมันไม่รู้มันหลงว่ามันหลงเราเปลี่ยนรู้ได้ไหมเปลี่ยนมันรู้หรือว่าปฏิบัติถ้ามันหลงไม่เปลี่ยนเป็นรู้ไม่ใช่นะักปฏิบัติเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาหลงที่ไดเปลี่ยนรู้ที่นั่นเอาวันทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นรู้ไม่เสียเวลา มันก็ทำได้เห็นอลังตาบอกอยู่นี่ประจำให้เห็นถ้ามีสามสามขั้นตอนเห็นเห็นทุกไม่เป็นผู้ทุกโ้นจากทุกงา น, น อะไรก็ตามอยู่ลักษณะแบบนี้ถ้าเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงมันไปแบบนี้เห็นอะไรก็ตามเห็นลักษณะแบบนี้กะทั้งนั่นเป็นสามปัจจิยการดูดีๆเวลาเราปฏิบัติถ้าหลงเป็นหลงต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจไม่ก้าวไม่สักก้าวเดียว ถ้าหลงเป็นลูกไปแล้วก้าวไปแล้วไม่เป็นผู้หลงไปอีกก้าวน่พ้นจากความหลงไปอีกแล้วสาก้าวเหตุให้เกิดความหลงมันคือขาดสติทำเหตุให้มันดีพยายามีสติใส่ใจก็แค่เหตุมีแต่เหตุมีแต่ผล ความหลงเป็นผลความไม่รู้ความรู้คมหลงความทุกข์เป็นผลความหลงเป็นเหตุในโทษความทุกข์ไมโทษความผิดเมื่อโทษตัวหลงมันไมีอยู่กับเราทั้งนั้นโจรก็มีอยู่กับเราจอมปลยก็อยู่กับเราเราแค่เองก็เช็ดเลยได้ เพ้นความเกิดเป็นโจทดคีได้เราเป็นจำเลยพุ่นจากความเป็นจำเลยไม่เป็นทาตุไม่เป็นถูกรับใช้แต่ก่อนรับใช้ทุกอย่างความโกรกก็รับใช้ความรักก็รับใช้ความเกลียดชังก็รับใช้ความสุขก็รับใช้ความทุกข์รับใช้ที่ว่าเราเป็นจำเลยเขาเขบาบังคับเราพอมา มาพ้นจอกเป็นจำเลยแล้วอิจฉาเห็นไม่เป็นเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นความโกษธหรว่าไม่เป็นจะเบื่อะไรเราถ้าเราไม่ศึกษาใจเป็นจำเลยใหญ่ๆที่ถึงคือเกิดการแก่การเจ็บคนตายแน่นอนถ้าเราแก้ตรงนี้ได้มันก็ไปแก้ที่โน่นไปในถัวเสียดบางคนอื่นจะสอนยังเกินไปก็สอนไปเถอะ แต่อยากพูดตรงนี้อยากบอกตรงนี้ว่ามันอย่างนี้แน่นอนจริงๆจะสอนเรื่องบนเรื่องบาปอะไรก็สอนไป่า <c oughs> งทานเรื่องถิ่ก็สอนไปก <c oughs> ารมิสติ <c oughs> คือทั้งหมดแล้วมิสติก็ล้วความชุวมิติก็ทำความดีมิสติกิจก็บริสุทธิ์แล้ว <c oughs> พอใจแล้วนี้มากไม่ต้องไปเปิดตำราอาร่าน มีสินแล้วจึงรู้มีเล่องจึงเห็นเป็นเรื่จึงรู้ศิลรักษาเราพอแรงแล้วหลายวันแล้วไม่ได้ทําบาปทางกายทางวาจาทางใจมีแต่มีความรู้ไปสินรักษาเราสมาธิรักษาเราปัญญารักษาเราเอาจริงๆไม่ใช่เรารักษาศินไม่ใช่เราสร้างสมาธิไม่ใช่คิดเหตุ ผ, ผล เรามันหลงกว่ารู้นะศีลรักษาเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงมันก็เป็นสมาธิพุนจากพอที่หลงเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาในตัวเศษมันน่าพอใจมากกามือเดียวแท้ๆคงสอนพระเจ้าเปรียบเหมือนใบไม้ทั้งป่า แต่พระเจ้ามาสอนพวกเราเหมือนกับใบไม้กับเมล็เดียวเพียงพอแล้วถ้าเราปฏิบัติอะไรก็ตามมันโกรธมันทุกข์มันโลภมันหลงมันรักมันชังมันตีใจเฉยใจอะไรก็ตามมันลักษณะนี่งเดียวกันเนี่ยเป็นสูตรเดียวกันนะมันจึงทําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ นี่คื อ, ค, อคือจจดคือจํโปรยตรงนี้พุทธศาสนาเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่เกิดตรงไหาแด้ก็มีเมื่อพทธเจ้าสอนประยำคีปะโคงแรกก็มีคนศึกษามากขึ้นมากขึ้นภายในแปเดือนมีพระอาหารหันต์ร้หบ แเดือนเก้าเดือนนับแต่วันเพน 6, เดือนหกเดือนเดือนแปดได้มาสอนวันเหือนเพดือนแปดนับจากวันเพนเดือนแปดไปถึงวันเพนเดือนสามกี่เดือนพระละหันหนึ่งพันสรห้าสิบลูกอยู่ที่ไหนไปรวมกันอยู่ที่เวรุวันหนึ่งพันสองรห้าสิบลูกมีแต่บวชเอหิภิกขุกับพระเจ้าเท่านั้นเองภายในแปดเดือนเก้าเดือน มีผลขระดานท่านน่จึงมีพระสงฆ์มากขึ้นมากขึ้นมีอุบศกบาจิกามากขึ้นมีพุทธบริษัทมากขึ้นเรียกบริษัททั้งสี่เพิ่มขึ้นจึงมีทำไว้ไหนขึ้นมาระเบียบแบบแผนต่างๆเดี๋ยวแรกก็บอกตอตกันเราไม่มีหนังสือตำรับตำรามพระนนท์จำเจ่งว่าพระนนเป็นพระวัฏา์ จึงขอพอรจากพระเจ้าสงเลือกอาโดนเป็นพธธระอุปัฏฐาตอาโดนเลยขอพอรจากพระเจ้าว่าอะไรหลายอยา่างอย่างข้อทีอานหนึ่งก็บอกว่าถ้าพระเจ้าประชงะแสดงธรรมที่ใดขอให้อานณนไปตามด้วยติดตามไปด้วยถ้าสงทำไมจึงถามอานทำไมจึงขอร้องอย่างนี้ แล้วน้อก็ตอบว่าถ้าพระเจ้าจแสดงธรรมที่ใดมาอนอนไม่รู้น้องจถามว่าอุปถากไม่มีประโยชน์ถามเลยก็ไม่รู้เพราะนั้นจึงขอผลล่ลนเลยพระพระเจ้าจะดนำมาที่ใดอานนอนต้ตาไปพระเจ้าก็อารมณ์นนก็จําเอาจำเอาจำเอ า, เอ า, เอาต่อมาต้งหลายร้อยปีพระเจ้าปณิพนันไปแล้วจึงมาจะเลือกเขียนหนังสือ ขึ้นมาแต่ก่อนก็บอกต่อกันมาจำเอาดังพวกเราจำเอาคำสอนพระสูตรต่างๆมาพูดเนี่ยก็จำเอาแต่ถ้าไปอ่านพระไตรปิฎกยุ่ก็มีเหมือนกันดังองค์กลสัปก็มีเลยพระไตรปิฎกอ การรังมชล10บข้อก็ไม่อยู่ในพระไตรปิฎกเอามาสาธยายสุกันฟังเป็นการเรียนรัดให้เราได้ให้เราได้ยินได้ฟังเอาไว้อะไรที่เป็นมงคลสามถแปดอย่าอย่าให้ขาดแฉนหัดทมหัดใช้ให้มาก เราจึงเป็นอย่างนี้พุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อการนี้โดยตรงเพื่อการเหนือเกิดเจริเจ็บตายการเริ่มต้นมาจากเห็น <c oughs> เห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลง <c oughs> ปล่อยแต่เพิ่อเพื่อไปจนทุกอย่าง <c oughs> ก็ลักษณะเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่น <c oughs> เป็นศ <c oughs> ินลปะหรื <c oughs> เป็น ป, <c oughs> ปริญญา ชำตัางันหลงตาพูดกันเช่าว่าใครไปอยู่สวนโม ก, ก็ต้องจบปัญญาคือตายก่อนตายบางคนก็พูดว่าสูญยะตาบางคนว่าความว่างบางคนว่ามรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้ถ้าพูดแตงมัคผลนิพพาน ไปพูดตรงๆเลยไปประกาศโฆษณาก็ผิดไปไหนถ้าคนไปถามอย่าไปพูดโดยตรงผิดไปไหนประประ ป, ะ ป, ะปัแม่ภิกษุรู้อยู่อุตริบรรณธรรมไปพูดให้ไม่ใช่พระสงฆ์ให้คนอื่นที่ไม่ควรฟังก็ไม่ควรพูดแต่พูดลองพูดด้ที่มีผู้ปฏิบัติไม่ใช่เรา ไปโคชนาะแม้แต่การแสดงธรรมก็มีระเบียบอยู่บนรถก็แสดงธรรมไได้อยู่บนที่นอนก็แสดงธรรมไได้อนที่ฟังธรรมยืนอยู่เรานั่งอยู่ก็แสดงธรรมไม่ได้อนถืออาวุธอยู่ก็แสดงธรรมยึดเขาไม่ได้ต้องมีระเบียบที่นี่เราเป็นจะ เ, เป็นบ้านเราไม่ต้องอาราธนา พอถึงเวลาเราก็มีหน้าที่สอนพวกเราตั้งใจมาฟังมาปฏิบัติแล้วก็สอนไม่ใช่พมมาจโรกที่ปฏิจอมปฏิไม่ต้องว่าบางทีศีนก็ไม่ต้องว่าปฏิบัติไปมันก็มีเองศีนนี่ไม่ใช่ขอศีนนี่ไม่ใช่ขอนะทำให้มีขึ้นมามหายารเนี่ย เขาไม่เคยขอสินก็ยังทำานี้ถือว่าเราผิดสินบ่อยล้มเหลวเกินไป <c oughs> หายานก็ไม่ค่อยขอสินปีละครั้งหน้าตาเคยอยู่กับมหายาน์ก็้าขอไม่ใช่ไม่จะบอก เจตนางดเป็นจากอาะไรงดเป็นจากการฆ่าเกิดจากเจตนาของเราไม่ใช่ห้ามเจตนาก็เป็นจากการฆ่าเจตนาก็เป็นจากการเท่าสื่อของที่ขอของไว้ให้เบ้าเองแต่ไม่ก่อนเมื่อคนไปฟังเทศพุทธเจ้าแล้วก็อุทานขึ้นมาเอง พังสนงังอกชามิเพราะว่าเป็นสาวบ้านเราคราบเจ้าขอเ อ, อ, อาพระเจ้าเป็นศรัทธาธรรมสนงังอจชามิข้าวเจ้าขอพระธรรมประชนะสังขังสนงังอจชามิข้าวเจ้าถือออกขอพระสงฆ์ประชนะสาระอื่นของข้าวเจาว้าไ ม, ม่มีเจ้าพระธรรมประสงฆ์ศาสนะของเจ้าข้าวเจ้าจึงพ้นจากทุกทั้งปวงได้อุทานออกมา บางคนมีคันตั้งครันได้หกเดือนจะวางเทพเจ้า <c oughs> เออเ่าอย่างี้จบก็แม่แต่ลูกอยู่ในครันก็ข้าวเจ้าเนี่ยเพิ่งเกิดได้หกเดือนขอถึงพลัดตายไตด้วยเช่นกันจนวันที่ลูกเกิดพอลูกแด็กษาแม่ก็บอกว่าลูกเนี่ยมีพลัดตายไตยแล้วตั้งแต่อายุได้หกเดือนแล้วนะตัวก็ถือเอานา น, าน ต่อมาเขาก็มาแบบใจเจตร้าพเจ้ามีเจตนาเว้นจากการฆ่าเด็ดขาดข้าพเจ้าไม่เจตนาเว้นจากคานเอาถือของสิ่งของที่จะของกับแมลให้ข้าเจ้ามีเจตนาพูดงดเว้นจากการอะไรนะข้อที่สามพฤติภินายการมทั้งหลายขราบเจ้าไม่เจตา ง, งดเว้นจากพูดไม่จริง เจ้าเจ้ามิเจตังนเะว้นจากการเดืองทุลาเมลยแอมเปติทั้งของความประม า, าว่าเอียงเจ้วเจ้าขอสมชำระชิคาบทั้งห้านี้เรียกว่าอีมานิปัญจาศิคาบทา น, นิสมาธิยามิถ้าว่าเป็นภาษาบ้านเราววเรียกว่าเจ้าเจ้าขอสมาะทานชิคาบทห้าข้อนี้ตลอดชีวิตไม่ทําบาปกรรมกรรนี่เป็นเจตนาออกมาจากภายในที่นี่พวกเราก็ เมา อ, อยู่ก็บอกชุนลาไม่ละเอียดมันจะแบบตาตาหลอกกันเฉยๆไม่ได้จริงใจเป็นพิธีกรรมไม่ใช่เป็นปฏิวัติกรรมนี่คือหัวใจของศ า, าสตร์สลังต้องลอมมีสิทธิมีสิตทีนอนตาก็พูดอยู่เสมาเห็นไม่เป็นจุดยอดแล้วไม่เป็นเห็นไม่เป็น แมเห็นอลไรก็ตามในกายพวกสกจะวานาะคือปัจจะยการจะแก่เหล่นี้มันก็มีอยู่มันหิวก็หิวเห็นมีอยู่มันร้อนก็มีร้อนอยู่มันเหนื่อยก็มีเหนื่อยอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้มีภพภูมิตรงนั้นไม่อมาเป็นตัวเป็นตนมิได้เห็นอย่างเนี้ยเห็นหลอกหลอนไปทางถ้าเห็นแล้วถือว่าหลุดพ้นแล้ว ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเลยไปเห็นมันเกิดไม่เป็นผู้เกิดเห็นมันเจ็ไม่เป็นผู้เจ็เห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายแล้ตาก็ทับใจที่สุดในเรื่องนี้อยากจะพูดแต่เรื่องนี้แหละเออเคยเจ็บเคยตายอยู่แล้วว่าทับใจมาก ถ้าห่วงคนโอ้เถ้าคนไม่ฝึกหัดจิตใจจะอยู่ยังไงเนอหายใจไม่ได้เขาชุบชงน่ะก็เลยบอกว่าเราสนุกป่วยคนไปถามหรือว่าสนุกป่วยสนุกเก็บก้อเนื้อไหนตับเก็บด่างโดนแรงสนุกเก็บเห็นมันเก็บไม่เป็นผู้เก็บมันเยียวหยาเมอ่อมันตายก็เห็นมันจะตายไม่ได้เป็นผู้ตาย มนจังเหนือก่อนเกิดเจกตาเนี่คือพุทธศาสนามีอยู่ในหัวใจเรานี่ไอ่ใช่ศาสนาอยู่วัดเราอยู่บ้านศาสนาศาสนาเจริญคือวัดวะอารอง์ใหญ่โตโหัวฐานพระสงฆ์มากไม่ <c oughs> ใช่ศาสนาเจริญคือเราไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหามีแต่ปัญญาศาสนาเจริญอเรา ไม่มีทุกในปัญหาแล้วก็มันก็เป็นประโยชน์สบบงบเย็นยิ่งเรื่องต้นจากเหล่านี้นับถึงคนไทยหกสิบห้าหกสหกล้านคนนับหนึ่งจากเราทุกคนลองดูมันก็สง บ, บทันทีได้ไม่ใช่ไม่ใช่มาบังคับบางนี่ไม่ใช่บังคับรับผิด บ, บเอง จึงอยากจะบอกตรงนี้ให้มั่นใจเถอะพอ้นี้เราก็กลับกันแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆชีวิตของคนเราไม่ต่างกันเลยไม่มีชาติไม่ภาษาลราที่นีกายเปน็นเดียวกัน<ม>เหมือนกันหมดเป็นดกขเห็นใจกันจริงๆไม่มีการเกิดเจ็บตวดมีทุกข์เหมือนกันหมดไม่น่าจะเปี่ยงกันเลยคนเราเลย เห็นใจกันมากเราเคยหิวเห็นคนอื่นหิวก็เห็นใจเราเคยโกรธเห็นคนอื่นก็เห็นใจเห็นคนทุกข์เราเห็นเราเห็นเขาก็เห็นใจที่เขาเป็นทุกข์น่าจะไม่ทุกข์น่าจะไม่โกรธน่าจะไม่หลงเป็นทุกข์เพราะความทุกข์มันไม่ใช่เห็นโกรธเพราะความโกรธมันก็ไม่ใช่การที่คยเห็นมันเฉยๆไม่เป็นกับมัน เหมือนดูมันและวนะ่ยน้อยตาก็พูดให้ฟังน้องก็มีเท่านี้ที่เราเจี่ยวค้องกันได้เขาบอกความเท็จความจริงว่าความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงความทุกข์มันไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงอย่าอย่าสลืสิทธิ์กันนะแล้วมันโกรธก็ไม่โกรธมันมีความโกรธไม่จริงความไม่โกรธมันจริง กระบวนการเกิดขึ้นถ้าเรามีความเป็นธรรมแล้วคนอื่นก็มีความเป็นธรรมสงบร่มเย็นถ้าเราไม่มีความเป็นธรรมก็หาความเป็นธรรมแล้ยากในโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเรียกร้องความเป็นธรรมจากคนอื่นไม่ใช่ต้องตั้งต้นจากเราก่อนนับถึงจากเราก่อนเสนอตัวโลาก่อนเรียกว่าอัตตาที่ปฏิญาอารมณ์ตนก่อนเอาหมายแค่นี้เนาะจบก่อน ไม่มีเสียงก็อย่าคูดนะอ่าแต่พ่อกัน